เรานะปฏิบัติจะให้เจนเพียงใต่ที่ขอนการปฏิบัติของคนให้มันพิจานณาเกียวข้เรื่องการปฏิบัติตัวขอเราปฏิบัติแฉะนี้กามเป็นอยู่ทุกอย่าง ทางกายวายจาใจแดเราที่เจอมาดูถ้าผู้อื่นปฏิบัติอย่างรเราหรือพระพุทธเจ้าจงถกประธรรมเหมือนเราทุกวันนี้าขาดคะนนจัดมีผูนัดถือหรือไม่มีเพียงเฉียงหรือสาวสองส่วน หากมันสืบสอบการปฏิบัติเกี่ยงกับชื่อปฏิบัติอย่างไรชาวชนควรจะเลื่อนไส่ยึดตัวของตัวเองเลื่อนใส่ได้ไหมเลื่อนใส่ไดการปฏิบัติของตนพอบุคคลผู้ใดมันสืบสอบพิจารณาอย่างจะเห็นความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ขงตนในตามส่วนที่ปฏิบัติ็นของตนจะเป็น คนของตนเองไม่ต้องไปสิ้นทาอาศัยบุคคลผู้อื่นในแง่แรกคือเราที่ไม่เชื่อในส่วนใดที่บอกเล้าก็่อนปฏิบัติให้สมบูรณ์ส่วนใดที่สมบูรณ์ก็ต้องระวังรักษาให้อมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในส่วนใหญ่นะปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นไม่ครเมื่อคิดถึงเรื่องของตนจะอยู่ก็อยู่ไปจะชื่อหรือสีทา เขาคิว่าละนักปฏิบัติหรือพระพุทธงค์เพราะภาคมานคผลที่สิดไม่คิดอ่านเรื่องทั้งตนเลย อ, อยู่ไปหญ่างนั้นจิตใจมันจะใายแสไปตามใส่แสบทั้งอารมณ์อย่างไรไมาคำนึงคางนวณถึงวันล่วงไปคืนล่วงไปเดือนปีล่วงไปอายุพรรษาก็าแกสครับเขาก็สมมุติให้เป็นอาจารย์แต่อาจารย์สอนอะไร คมรู้ทางเข้าใจของตัวมีหรือไม่ที่จะแนะสอนบุคคลผู้อื่นให้เข้าจิดเข้าใจในอาณาธรรมไม่ได้คำหนึงคำหนวณงทิงเลยถ้าคำหนึงคำหนว่งทงการปฏิบัติของตนตั้งแน่วิชาปฏิบัติอยู่ทุกการทุกเวลามันขยันสมรู้ตายรายจ่ายจิตของตน บุคคลผู้นั้นถึงจะไม่ไปศึกษาวิชาความรู้มาจากที่อื่นจะได้ความรู้ความเข้าใจในการจะทาบาเพ็ญเคร่งศนัทธนเกิดความเชื่อความเลื่อใสในตัวของตัวเองบุคคลผู้อื่นมาเห็นเข้าในขอวัดปฏิบัติในการจะทำบาเพ็ญของท่านก็เกิดความเลื่อใสในขอวัดปฏิบัติยิ่งได้ศึกษา อาจทำทางด้านีิตด้านใจพ็ยิ่งเลื่อนไปยิ่งใหญ่ขึ้นไปเพราะความกระทาบําเพียงที่ตัวของเราทํามันดีเด่นอย่างนั้นในจังเกิลศึกษาเราเรียนวิชาความรู้มาจากที่อื่นก็พอจะเน้นแต่สอนคนได้พอจะเน้นแต่สอนคนอื่นได้ส่วนการไปไปศึกษาสาหรับตำราหรือศึกษาส่วนอื่น ศึกษามาเท่าไหร่ทางทางใจไม่รักษาทางภาวนาไม่บำเพ็ญไม่ก็เป็นขันยาเลยเชียลือมเลื่อมห ล, ลงหลงใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่าตำราไม่ใช่ตัวยาตัวยาจะสมมุติใครว่าอะไรก็สมมุติได้แต่ตำรา สามารถที่จะแก้ไขโรคไข้ของผู้ที่ป่วยให้หายส่วนยาจะเป็นยาอย่างไหนก็าตามรากไม้หรือจะเป็นยาสมรรูปกวต่ า, ตามถ้าหาถูกต้องกับคไข้ไข้เจ็บของคนแล้วก็เป็นยาท้งนั้นสามารถที่จะต้านทานโรคไข้ให้หายไปได้ ฉันใดํำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นถึงเมอไม่จ่ายกองกวัวตายหากศึกษาได้แต่ไม่กระเพิดปฏิบัติตามํำสั่งสอนเหล่านั้นก็เหมือนกันกับตำรายาจะไปอ่านให้คนไข้มันหายก็ไม่มีวันมีเวลาคนไข้จะหายจากโรคจากไข้ไปได้แต่ถ้า ไม่ต้องรู้ตำราแต่ถ้าว่ารู้ตัวยายาที่เราได้มาเป็นตัวยาจริงจังสามารถที่จะกำจัดโรคไยได้ในต้องกินไปหมดทุกขนานคำสอนของพผูใ้ใจเจ้าที่สอนไว้ไมีมากมายหายกองแต่ถ้าว่าโรคไทซึ่งเกี่กวกับคดปัญหา เราไม่ต้องไปติดตามตามส <c oughs> ำหรับตำราที่ท่านสอนเอาไว้ทุกนี่ยทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นที่จารยาส่วนใดที่เกิดเป็นเห็นชัดในตัวของเราว่าเราเป็นโรคส่วนนั้นด้วยเฉลยอดส่วนนั้นเข้ามาเบียดเบียนหรือบีบบังคับใจของเราเราควรสอนจารณ์นาทำที่พร ะ, ะพุทธเจ้า แ่สอนไว้ยงังบทใด บ, บทหนึ่งเท่านั้นที่เดือดปัญหามานะจิตที่มีอยู่ในจิตในใจโกหแหายไปได้เดือนนั้น <c oughs> ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าแงสอนพวกนักปฏิบัติการผูดจาปลาใสกัน่านชิงใสผูดในสันเลขาสถาคืัตหา ซึ่งเป็นเครื่องขูดเราเผาที่เหล็กสันเลขาแต่หาพวกเราทั่วไปที่เคยผ่านตำรตำา<ม>ก็เคยจะรู้จะเข้าใจเคยจะพบแต่คนที่แม่ผ่านตำราหรือไม่เคยศึกษาก็จะไม่เข้าใจว่าสังเลขาแต่ขานั้นคืออะไรท่ <c oughs> านบัญญัติเอาไว้สิบข้อ เรื่องสันเลขาจัภาข้อหนึ่งท่านบอกว่าอภิสิทธิตาให้เป็นผู้มักน้อยทำว่ามากน้อยพระพุทธเจ้าทรงสันไลเสินทางโลกมักน้อยเขาไม่ชอบใจเป็นบางสิ่งบางอันเขาอยากอะไรมากแต่ทางทํำพระพุทธเจ้าสันไลเสินยืนยอทางมากน้อยว่าเป็นข้อปฏิบัติสําหรับ กำจัดท no, hmm. no, uh, ี na, in, find, ่เต well, ัญหามักน้อยอย่างไรมักน้อยในที่อยู่ที่อาศัยในทีวอรลินทะบาทในหยุกในอย่างนี่เป็นมักน้อยทางฝ่ายเขาอยู่ไหนถ้าเป็นคนมักใหญ่ฝ่ายสูงที่อยู่ที่อาศัยก็อยากจะให้ใหญ่ให้โตอยากจะให้สวยให้งาคนนั้นไม่มีเวลาที่จะ ได้เดินตรปลอมภาวนาที่จะไดนาจิตใจทองสมจะงอเมาแต่การก่อสร้างด่านวัตถุที่วานเราขาดมักสวยมักงามมักใหญ่มักโตได้อย่างนี้ไม่พอใจอยากได้สวยสวยงามงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็อีกแหละถ้ามักใหญ่มากมากเยอะไปงานนั้นใส่ชุดนั้นไปงานนั้นใส่ชุดนี่นี่มั่งมากเท่า การซักก็ลำบากการเก็บการรักษาก็ลำบากจะไปมาหาสู่ที่ใดก็หาผัหามไปไห่ไหวด่นานจีวรยินทาบาทดีเหมือนกันถ้ามากมากลำบาเกเียดนั้นสั่นจริงให้มีโฟเทเนมาตันยุติ์ตากรู้จักประมาณในการบริโภคขบขันจะมีมากกินให้มากจนทองแตกตายมันก็ได้สําหรับที่สื่อสามาเนื ในบางวันบางเวลาแต่ท่านหนึ่งท่นได้เสือมอย่างนั้นท่านฉันไร้เสื่อมให้มากน้อยทางธรรมะด่านจิตใจแล้วคนมักน้อยยอมได้เสียบคนเี่มากมากเพราะเหตุใดอารมณ์สัญญาในในใจของพวกเรามันมากเหลือเกินตาได้เห็นหูได้ยินเลียนถูกลดได้ใจหมูถูกกินกายถูกสัมผัส เก็บมาเป็นอารมณ์วุ่นวาอยู่ทุกวันทุกเวลาจะผ่านมาเป็นกี่ปีกีเดือนมันก่อแล้เลิกนึกติดตามไปได้ในบางสิ่งบางอย่างทำคำสั่งสอนที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาผมมาไม่แต่ฟองอีกเหมือนกันที่ท่านสอนให้มากน้อยก็คือว่าถ้าหากเราจะเอาตำรบบตารามาอ่านมาว่ากัน ไม่หยุดไม่ถอยและยิ้มมาจากที่ไหนก็จะกระโดดติดตามไปตามสัญญาอารมณ์ที่ตนเคยได้รดับรับฟังมามันเสียอีกขันทิ่ให้มักน้อยไม่ทำจะบริกรรมก็ให้บริกรรมจริงๆจ้งแจ้งจะภาวนาอวัยวะร่างกายอย่างอสุภะอสุภังก็ให้ที่จรจริงๆริจ้งจังถ้าทำเชี่ยวเขื่อนไม่ใช่อะไรเรื่อง เป็นอย่างนั้นคนที่มากน้อยในธรรมโดยส่วนใหญ่สําเร็จเร็วไวยิ่งกว่าคนที่มากมากเพราะตั้งใจจะทจําจริงๆริงจังจังในงานด้านประฤติปฏิบัติจะบุรีกรรมพุทโธ ท, ทำโมสังโฆกอบุรีกรรมเอาจริงๆรจังจะกําหนดลมหายใจกองกำหนดจริงๆริงจังจังปุ จาความเชื่อว่ากรรมฐ า, านเหล่านี้เนีละจะแก้ไขกเฉลี่ยปัญหามานณที่จิตในตัวของเราออกได้ส่วนการไปติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆเราเคยติดตามมาไหมปรุ่งอะไรแล้วคิดไปตามไปปรุงอะไรแล้วไม่เด็กกำหนดสังวรปล่อยให้ใจไปสังคมในอารมณ์ต่างๆถ้าหาอารมณ์ส่วนนั้น มันเป็นฝ่ายดีฝ่ายดีจะแก้ไขมานาจิติหรืออวิชชาตัญหาอุปาทานได้พวกเราทั้งหลายเคยละลึกเลิกคิดกันมานมนานคงจะเรื่องที่เหนือตันหามานาจิติคงจะไม่มีในจิตในใจนี่ในอย่างนั้นคิดไปเท่าไรยุ่งไปเท่านั้นคิดไปเท่าไรไม่มีบันอิ่มพอเหตุนั้นท่านจึงให้มากน้อย จะทำอะไรต้องทำกันจริงจริงแจงแจงบริกรรมกับบริก ร, ก ร, กรเมจนให้จิตสงบเดี๋ยวสังเกตลมหายใจกำหนดลมหายใจกดทำจนให้จิตสงบอารมณ์สัญญามันจะมีกี่หมื่นกี่แสนสี่ล้านมาผ่านเข้าอย่าไปเอาใจใส่ว่าส่วนสัญญาอารมณ์ส่วนนี้เราเคยระลึกเลือกคิดติดตามมาแล้วไม่เคยให้ความสุขความสงบอย่างไรแก่กัจของเราเราไม่เชื่อเราไม่ยินดีปัดมันสิ้นปล่อยมันสิ้ง กำหนดอยู่เฉพาะอารมณ์ของกรรมฐานที่็นคิดว่าอารมณ์ส่ว น, นจะทำจิต ท, ทาใจของตนให้ผ่องใสหรือให้สงบเทานั้นนี่เลยชื่อว่ามรค น, นพุที่มรคนอย่างนี้แหละในครั้งพุทธา้การได้สำเร็จมากมายหลายกองจะยกตัวอย่างก็ได้อย่างพระจุลบรรถก พอกปฏิจจมและโซหาหางหางนขนาดนั้นหรือพวกกระดิ่งสังพันธสามคนก็ฟังทาที่ตับเรยาญาสูตรคือพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอยายุตระหนัภายนอกภายในเป็นของร้อนว่าเหนื่อยลาคะโทสามโมหะผันที่จะได้นะเท่านั้นเนี่ยก็ได้สาเร็จอรหัสอรหรันมีตัว อ, อย่างผมไปผู้มากน้อยผู้มากมาก เคยเสียหามาผมอย่างในสำหรับสำราษทชาวถึงเรื่องโภชิรัตเคยศึกษาธรรมะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนจบเข้าใจพิดุกและเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่สอนบริษัทถ่วไปแต่เขาเป่าพระพุทธเจ้าชาวใดพระพุทธเจ้าโพชิรัตคือใบลานป่าไม่มีอะไร ในจิตในใจท่องตนจำได้แต่สัญญาเท่านั้นทางจิตใจภายในป่าประโยชน์หาความเป็นสมาธิไม่มีในจิตในใจเมื่อพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนั้นเกิดความสลดทังเวชใจตีตัวออกไปตักเลือปฏิบัติการเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนั้นจะไปศึกษา กว่าลำบากยากอ ย, กอยู่กว่าจะมีผู้รับเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สูงหรือเป็นผู้หลับผู้ใหญ่แหาครูจะแนะสอนอยากแต่หาโปรธิรับคนนี้พามาพิจารณาดูปาเปิิตใจพาเรื่องการยถลักมาน่าพิคิด น, น่าบูชาอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นครูผู้หลักผู้ใหญ่ มีศิษยานุศิษตั้งห้าร้อยคนที่เปศึกษาพระที่สุตานมเนียนศึกษากับท่านท่านสอนไปยัดเพราะท่านสลดใจที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโพธิรักพอไม่ลาหมูล่ลาพวกเลยออกไปกับพืชปฏิบัติในสำนักทิ่ท่านไปศึกษาอาสันสำนักนั้นเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดตั้งแต่ พระเถระจพงแต่ท่างสามเณรพอเข้ไปศึกษาพระเถระท่านก็ไม่รักไม่มีวิ่อาจารย์ู้อะไรท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ศึกษามาทุกสิ่งทุกอย่างแล้ผมไม่สามารถที่จะสอ น, นท่านท่าก็กราดก็ไหวอ่อนวอนอยากจะให้แม่สอนแต่พระเถระท่านก็ไม่รักเลยบอกไปหาอนุเถระ ใ น, นเทลาก็พูดอย่างเดียวกันเรื่อยๆลงไปจนถึงสามะเนนที่บวชใหม่และอายุเพงเจ็ดขวบเท่านั้นไปอ่อนวอนขอสามะเนนเป็นที่สื่อที่อาศัยสามะเนนก่อนอยากจะทดลองว่าทิศิมานะของอาจารย์คนนี้จะละถอนได้จริงจังหรือไม่ก็ลองทดลองดูแข่คล้องผ้าใส่สังคารสิลงไปในน้ำ พอลงไปแต่ก็ลงไปจริงๆอย่งจังไปพอผ้าเกิดตีบก็บอกขึ้นมาแล้วก็องทดลองไปไงร้ายอย่างเห็นบ้าเลยมีมานะที่ตีบจริงจังสามมาเนียนที่คอยสอนการสอนของสามมาเนีนก็สอนบอกว่ามีจอมปลวกแห่ง ห, หนึ่งมีเหี้ยใหญ่ตัวหนึ่งเหี้ยตัวนั้นมันอาศัยอยู่ที่จอมปลวกแล้วมีรูมันออก ถึงหกแห่งผู้ที่เะยจับเนียตัวนั้นได้ก็ต้องติดรูเสียถึงห้าแห่งถึงคอยขุดเข้าไปตามรูแห่งเดียวก็จับอกเนื้ได้ก็มาเทียบก่ออายัตนะทั้งหกนั่นแหละตาหูจหมูกลิ้นกายแล้วก็ใหายใจนาเรื่องของใจเที่ยงสามาเนานสอนขน้นเนี่ยทำเหล่านี้ท่านก็คงจะเคย สอนคนอื่นมาเหมือนกันเพราะท่านสอนที่สือ่อสารมณีจังหาลอยองแต่ท่านไม่ได้เอาจริงเอาจรเพอถูกสามเณีสอนอย่างนั้นเกิดชลดใจเพราะเอ่ยทําพูดขึ้นก็ตั้งใจที่นี้ที่จะได้มาตามเราเพื่อปฏิบัติตามผลที่สุดท่ำสอนขอนสงสามเณีที่เป็นอรหันต์แต่บวชใหม่อายุยังเจ็ดขวบอย่งนั้นท่านก็เลยปฏิบัติจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ การมักน้อยจึงเป็นของสําคัญถามากๆลาบากอะไรผัวไปลําบากโสดของความรรคมากไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นพระวา่ายุง่งที่เรายุ่งทุกวันนี้ลําบากทุกวันนี้เป็นทุกทุกวันนี้ก็ชบชรอตเสียที่เรามักคมากอะไรที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเราอะไรที่เราถือว่าเป็ น, ปนของของเราส่วนนั้นแหละทําให้จิตยดึดจิตถือจิตคล้อง พ้เราละส่วนเหล่านั้นได้จิตใจจะสงบเย็นจะสงบสบายไม่กังวลวุ่นวายกับเรื่องเหล่านั้นมันจะเป็นจะตายจะเสียจะหายจิตใจก็ไหมเป็นห่วงพราเราละมาได้ถอนมาได้หมายถึงว่าเป็นของของเรามัดหน่อยจึงข่อยเป็นความสุขความสบายทางจิตทางใจผู้ที่ต้อพฤึกปฏิบัติเพื่อพ้นจากโลก ข้าเป็นผู้มักน้อยในธรรมอาศัยธรรมน้อยนั่นแหละเป็นเกี่ยงกําจัดปัดเสาที่เดือดปั่นหาจริงจังแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สำคัญคนหนึ่งในทางพราพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการมักน้อยเป็นมงคลอย่างนี้เหตุนี้พวกเราทั่วไปจิตใจของเราทุกวันนี้มันมักมากหรือมักน้อยอย่างไร ใจที่เจรณ า, าจิตใจค้องสนมีเป็นบ ท, ทาขามข้อหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าสอนให้พูดกันเพราะการพูดกันอย่างนี้ไม่เกิดมานะจิกถิการพูดกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะได้ที่เจรณาเป็นของสนเพื่อแก้ไขปมดอดคือที่เหลือัญหาออกจากใจข้อที่สองต่อไปท่านบาสันตรถิคือให้ยินดีตามมีตามได้คล้องสน เราทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นใจมันไม่อยู่ม่ของของตนเหตุนั้นจึงกังวนวุ่นวายไม่ยินดีไม่มีสันจุดขีดถ้ามีสันจุดขีจะต้องมีความสะดวกสบายสันจุดขีคือความยินดีตามมีตามได้อวัยวะร่างกายของพวกเรา ก็เป็นสันจุดทีอย่างหนึ่งซึ่งจะแก้ไขได้ยากอีกเหมือนกันเราสูงเราต่ำเราดําเราขาวได้มาอย่างไรให้ยินดีตามทีมมีที่ได้ของส่วนอยากไปดัดแปลงแก้ไขส่วนของไพ่หน่อจีวนยิ้นธบาตเจะนะชนะฆ่าหากว่าเรายินดีตามมีตามเกิดตามมีตามได้ของส่วนก็สบายอีกเหมือนกันให้แล้วเล็กเล็กดูบุญวาจะนาของสนว่า ตัวของเราประึฤอย่างนี้ทำอย่างนี้ของให้ของอย่างนี้พอดีกับตัวของเราแไม่ต้องเสริมไปเรื่องนั้นอื่ได้อันนี้อยากได้อนโนนไม่มีเมืองพอจีวรขาเส้าหมองหรืไม่สวยสดงดงามก็ไม่อยากได้ ท, ทั้งทงที่เรามีอยู่ก็อยากจะทิ่งไปเสียอยากได้อันใหม่ใจที่คิดอย่างนั้น ไม่มีวัมีเวลาที่เจ็บสบายพเพราจะผู้ใจ้าจจริงวาชั้นจุดขีปตะมังขนงัผู้ที่มีชันจุดขีปในจิตในใจคือความยินดีตามมีตามได้ทั้งตนจึงเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงส่วนคนที่ในยินดีตามมีตามได้เป็นทุกข์ลำบากผู้ถึงของภายนอกส่วนการปฏิบัติภาททยในก็ให้ยินดีตามตามีตามได้ทั้งตนอีกเหมือนกันคือให้จิตอยู่ในเรื่องปัจจุบัน อย่าไปส่งเราทําอย่างนี้จะได้มากได้ผลไหมเราทําอย่างนี้จะเสียจากหาอย่างไรอย่าไปส่งไปจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างไรเขารู้จักว่าจิตใจของเราเป็นอยู่อย่างนั้นรักษาทำปัจจุบันในตัวของตัวเรียกว่าสันติสุขคือยินดีในข้อวัดปฏิบัติของตนยินดีในการจะทําบําเพ็ญของตนแต่ให้มีปัญญาสื่อเหตุมองผลอีกเหมือนกันการยินดี ในอารมณ์สัญญาหรการยินดีในกรรมฐานมันมีการคิดอ่านไปนอกหรือไม่ถ้าหากมันคิดอ่านไปเรื่องนอกก็ให้ตัดมันเสียเต่ามันเสียปล่อยมันเสียให้มันยินดีในหน้าที่การชาระสาสางของตนอย่าไปมุ่งกว่าทำอย่างนี้จะไม่ไดมใดมัดไม่ผลจะไม่ถึงความหมึกรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราทําอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทำอย่างนั้นแหละ ของน้อยแต่เราทำไม่หยุดไม่ถอยเรารักษาไม่ถอยเหมือนกันกับเราปลูกต้นไม้รักษาต้นลํำของมันไว้ให้ดีควรดินแล้วใส่ปุ๋ยรดน้ําบ่อยๆต้นไม้ที่เล็กๆน้อยๆถ้าหากเรารักษาปฏิบัติมันมันจะเติบโตขึ้นจะตกดอกออกผลให้ในจิตใจของพวกเราทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นมากใหญ่ไฟถวงไปเทียบ ไม่ยินดีได้ทําคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสรงแนะสอนว่างทีทำอย่างนั้นเราจะ <c oughs> ไม่เชื่อฟังอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้ไปมีอะไรชื่อว่าภูมิมีสันติสิทโด ด, น, น, โ ด, ดนู่นโดดนี้ผนที่สุดเลยไม่ได้อะไรพอเข้ามาขอพึ่งปฏิบัติในวัดในวารึกเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนน เขายากเรียนดีก็ อ, อยากไเรียนกับเขาเพราะว่าเป็นธรรมฐานดีก็ อ, อยากไปกรรมฐานกับเขาเข า, าที่นูน้นสะดวกสบายดีปเปฏิบัติง่ายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ อ, อยากจะไปที่นั้นอากาศดีที่นั้นร่าานนำรวยอยากไปใจไม่อยู่กับตัวใจไม่มีการระวังสังวร อ, อย่างนี้ไม่เชื่อัมสูญคนที่อยู่สถานที่นี้ อยากจะไปทําความเพียรอยู่สถานที่นู้นสถานที่นู้นก็คนเก่านั่นแหละมันจะหลอกลวงเราไปหลายแห่งหลายผลผลที่สุดก็เลยเข้าเลยแก่เลยล้มเลยตาได้ป่ะเอาจริงเอาจังไม่ได้ถ้าหากเอาคนเอาจริงเอาจังอยู่สถานที่ใดกายใจเรามียี่เหรียญเรามีเราจะสําระอยู่สถานที่ใดตั้งใจภาวนาะตั้งใจกําจัดตั้งใจรักษาความดีของตนผลที่สุดคนนั้นจะมีกําไร ดีกว่าคนที่มากใหญ่ไปสุดสันสุขีจึงมีในตัวของพวกเราทุกคนที่จะสืบสอบเหตุผลและทีนิ้พิเจนะเสริมของผลให้เกิดความพอใจให้เกิดความสุขความสบายดั่งตาวิเวสแต่ตาข้อที่สามท่านว่าให้พูดถึงเรื่องวิเวสวิเวส ก, ก็มีกายวิเวสจิตวิเว อุปทิปิเรตอย่างนี้เนี่ยมัมีหลายอย่างากจนี้เนี่าหาพูดจิตใจนี้เนี่ยก็คือการอยู่ในที่สงบสงัดการอยู่ในที่สงบสงัดไม่พุช่านโดยประชุมชนหรือรบเสียงต่างๆแต่ฐานที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยแต่ทำบทําเพ็ญมาครูบาอาจารย์ เคยจะทำมําเพนมาผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศาสนาผู้ที่มีวิชาความรู้ผู้ที่อยู่มั่นคงในศาสนาโดยส่วนใหญ่ที่มีจิตใจสูงท่านเคยไปแสวงหาสถ า, านที่อย่างนั้นเพราะสถ า, านที่อย่างนั้นวิเรกอย่างนั้นตายวิเรกประกอบจิตตาวิเรกได้สะดวกสบายเพราะรูปไม่มาผ่านเสียงไม่มาผ่านเราจะกำหนดอะไร สะดวกกายสบายใจคิดเรื่องละเอีย ด, ถ, าา ด, ดยถ้าหากมีเรื่องอื่นพุกผ้าผ่านเข้าคิดยากถ้าหากไมีเรื่องอะไรมาพุกผ้าเราคิดได้ของละเอียดจึงควรอยู่ในที่สงบจิงที่จะได้นาออกมีเรื่องจิตใจของเราเป็นเรื่องละเอียดอันหนึ่งเราต้องหาทีวิเวก กาเยเวทจึงเป็นเหตุให้จิตวิเวทได้จิตวิเวทเกิดอุป च ีวิเวกได้อีกเหมือนกันถ้าหากมาเทียบเรื่องนอกกาเยเวกก็คือเรื่องจิตมีศีลบริสุทธิ์บริโบรูรณ์จิติเวกก็คือสมาธิอุป च ิเวทก็คือปัญญาเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็อาศัยสถานที่อาศัยการจะทําบําเพ็ญจริงจริงแจงแจงจึงจะเกิดขึ้นได้ วิเดจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่พวกเราทุกท่านจะควรที่ทจะรด้น า, าสังสัะจะสถาเป็นข้อต่อไปคือการเห็นใจในการทุกทีทีโมงกับหนูกับคณะการทุกทีกันหรืออยู่ร่วมกันหลายท่านหลายคนเจริญความเม ลองดองสามัคคีกันเกิดความแข่งแย่งกันเกิดความผิดเสียงกันเุื่อหน้าที่มากขึ้นธรรมดาอยู่หลายคนที่อยู่ที่อาศัยก็จะต้องสร้างขึง้นเพียงพออาหารการกินก็จะต้องจัดต้องทำเพียงพอการอยู่คนเดียวการไม่พยงุ๊บปีในหมู่ในคณะมันสะดวกสบายพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นธรรมอันหนึ่งสึ่งผู้ นัก ป, ปฏิบัติเพื่อข้ามจากโลกจะที่นี้ที่จะเลยนะการคุกคีกันท่านในชั้นนั้นเอคุกคีอย่างคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นอยู่รวมกันหลายคนตัวจะต้องรับผิดชอบตึงกันและกันคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บเดีเ๋ยวคนหนึ่งสบายมันหลายอย่างทุลานาจิถ้าอยู่คนเดียว ยังเราคนเดียวเก็บก็เป็นเรื่องของเราตายก็เป็นเรื่องของเราอะไรเป็นเรื่องของเราทางนั้นจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้อื่นทั่วไปสะดวกสบายการเป็นการตายกันอยู่ของตนผ่าหากบุคคลที่เจรนาเป็นธรรมชอบอย่างนั้นถ้าาคนไม่ที่เจรนาธรรมนี้หมู ม, มากเท่าไรก็สุขการสบายใจเท่านั้นก็ได้เออก็เลยสเสด็จเชิญเฮฮาต่างๆน า, นาไป ละสนใจที่ว่าสสาสง์ค่ไหนผ่าการในละคนกับสัญญาอารมณ์เป็นของสาคัญเหมือนกัน ใ, พใ้พวกเราทุกพันธนั้ที่นี้ที่เจอมาสัญญาอารมณ์ที่เราเคยตั้งคมปรุงแต่เมื่อคิตทำจิตทำใจของเราให้เราร้อนหรือเสียงหามากมาย่ายก่อนส่วนจิตของเราที่ดิ่งลงไปสู่ความสงบ แม้รักคนเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างลงไปสู่จิตเป็นเอจัดใช่ไหมมีความสุขความสบายอย่างไรหากเราพิจารณาน่อมธรรมะส่วนนี้มาเป็นภายในก็จะได้ผลได้กำไรอีกเหมือนกัน